เอาเสร็จแล้วตอนนี้พอนาะงอิสิตาสีตัดสินใจแล้วมีสองทางให้เลือกนะจะตายใชหรือว่าจะไปบวชเอาเช้าวันรุ่งขึ้นประจวบมองกับพิกษุณีชีนัทั ต, ตาอันนี้ชื่อพิกษุณีใหม่นะอีกรูปหนึ่งเพราะว่าตอนต้นเรื่องมาเนี่ยพูดถึงนางาพิษุณีโพธิกับอิสิตาสีแต่อันนี้ชื่อพิษุณีอีกองหนึ่งชื่ว่าชินทัท ต, ตา ผู้ทรงวินัยทั้งเป็นพระหูสูตรมีศีลสมบูรณ์มาบินทบาตถึงที่บ้านยิชันจึงนิมนต์ให้เข้าในเรือนแล้วจัดที่นั่งถวายยิชันกราบลงแทบเท้าท่านประเคนข้าวน้ำของของขบเคี้ยวต่างๆและสิ่งของที่ได้จัดไว้เมื่อท่านฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงเอ่ยปากขอกับท่านต่อหน้าของบิดามารดาทั้งสองข้าแต่พระแม่เจ้าผู้ทรงศีล ขณะนี้ดิฉันทุกข์เหลือเกินดิฉันปรารถนาจะออกบวชเพื่อความพ้นทุกข์อ่าปรากฏว่าตัดสินใจออกบวชจิกาซึ่งเหตุบังเอิญน่ยจริงๆคงยังไม่ได้ตัดสินใจทีเดียวตอนแรกน่าเป็นทางสองแพ่งอยู่พอดีพอมาเจอภิกษุณีนี่มาบินธบาีก็เลยอ้าน่ามันเหมือนกับนิมิตเน่ยเหมือนกันนิมิตมาเหมือนกับบางทีเราเองเนี่ยบางครั้งเราสังเกตไหมเราลังเลสงสัยอยู่ไอ้เจ้าไงดีเจ้าไงดี จะไปกับคนที่ดีหรือจะไปกับคนโน้นดีปรากฏว่ากําลังนึกอยู่เนี่ยตัดสินใจอยู่เอ้ามันมีในสองคนเนี้ยมันมีอีกคนหนึ่งมาหาเราพอดีเราก็เหมือนกับถือนิบิตเน่ยว่าเออก็ถือว่าเอาไอ้นี่มันมาหาเราทั้งเราก็ไปกับไอ้คนนี้แล้วกันเราก็ไม่ไปกับคนโน้นอ่ะเนี่ยก็อาศัยนิบิตอย่างเงี้ยเป็นเครื่องตัดสินใจให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นนางอิสิษาสีก็เลยตัดสินใจเอ้าบวชบิดาของดิฉันพอได้ยินเช่นนั้น ก็รีบกล่าวทันทีว่าลูกเอ๋ยขอเจ้าจงอยู่ประพฤติธรรมที่เรือนนี้ก็ได้อย่าจากพ่อแม่ไปอีกเลยจงทำบุญทาทานเลี้ยงดูเรานักบวชทั้งหลายที่เดือนของพวกเรานี้เถิดอพ่อแม่ไม่อยากให้จากไปนอยากให้อยู่ด้วยกันก็เลยขอร้องบิดากล่าวขออย่างนั้นทำให้ดิฉันต้องยกมือขึ้นประนมไหว้พร้อมกับน้าตาหลังหล่งไหลร่งรู อ้อนวอนต่อบิดาด้วยเสียงสั่นเครือวว่าได้โปรดเถิดขอให้พ่อช่วยกรุณาลูกด้วยลูกได้บวชประพฤติ ธ, ธรรมจะได้อาศัยธรรมดับทุกข์ใจและบรรเทาบาปกรรมทั้งหลายที่เคยก่อไว้เพื่อชดใช้บาปเหล่านั้นให้เสร็จสิ้นไปเสียทีในชาตินี้ก็ปรากฏว่านางอิสิธาสีก็เหลืออดเหลือทนละบอกว่ายังไงก็ขอขอให้บวชเถอะ ถือว่าจะได้ชดใช้กรรมให้มันหมดหมดไปบิดาของดิฉันก็เห็นใจสงสารจึงเ อ, อ่ยอนุญาตด้วยคําอวยพรให้ว่าขอให้เจ้าจงบรรลุโพธิญาณ น, นะโพธิญาณ น, นี่ก็คือปัญญาที่จะตัดสู้หรือปัญญาที่จะรู้แจ้งนั่นเองได้ทําอันประเสริฐและจงได้นิพพานเถิดนะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ผู้ประเสริฐสุดได้ทรงทําให้แจ้งมาแล้ว ก็เลยอวยพรให้ลูกเลยตอนนั้นดิฉันดีใจสุดประมาณได้ก้มกราบบิดามารดาทั้งสองแล้วล่ำลาพวกญาติทั้งปวงติดตามภิกษุณีชินทัตตาไปในวันนั้นเองไปทันทีเลยวันนั้นเลยไม่รอชายอีกละเมื่อดิฉันบวชไปได้แล้วเจวันก็ปฏิบัติธรรมจนบรรลุวิชชาสาม นะได้เป็นพระอาหารหันต์องค์หนึ่งแล้วในโลกเจ็ดวันเมื่อกี้นี้อาตมาบอกแล้วใช่ไหมว่าแล้วแต่บุคคลเห็นไหมจริงๆแล้วนี่เป็นยังไงนี่แสดงว่านางอิศิธาศีนี่จะต้องสะสมบารมีมาม า, มากอาตมาถึงบอกไม่ใช่ธรรมดาเลยนะคนที่โอ้โหนะผัวก็ทิ้งอะไรต่ออะไรแล้วยังจิตใจยังรักษาศีลอ ย, ยังทาดีอยู่นี่ หายากนะคุณไม่เชื่อพวกคุณลองนึกถึงตัวเองสิบางทีเนี่ยพวกเราเองกระทบกระทั่งกันหน่อยนะรู้สึกไม่ยินดีไม่ชอบใจขึ้นมาเนี่ยเราอะไรจะเป็นคนทิ้งก่อนนะเราอะไรจะทิ้งคนอื่นก่อนเลยไม่ใช่คนอื่นมาทิ้งเราอะนะ่ะสังเกตดูสิเราเนี่ยเราเนี่ยบางทีจะน้อยใจบางทีจะไม่ชอบใจออัดใจเราจะทิ้งแล้วไม่เอาอยู่ด้วยกันไม่ได้แต่ตรงขัางข้ามเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นคนที่ เป็นคนที่ดีกว่าเป็นคนที่ฝึกมาดีแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่โดนคนอื่นเ็าทิ้งไม่ให้เราไปทิ้งเขาหรอกนะส่วนใหญ่อะคนอื่นจะมาทิ้งเราเพราะคนอื่นมันทนไม่ได้แต่คนดีเนี่ยมักจะมีขันติมีความอดทนและมีความรู้สึกที่ดีหรือว่ามีความคิดที่ดีเพราะนั้นส่วนใหญ่คนดีจะอยู่กับคนอื่นได้แต่ส่วนคนไม่ดีสิมันจะอยู่กับคนอื่นยาก อันนี้เป็นแง่คิดอีกแง่หนึ่งนะให้ให้ให้ใหสําหรับพวกเราอ่ะเออถ้าเราอยู่กับใครเนี่ยแล้วเราอยู่ไปได้อยู่ไปได้อยู่ไปได้ไไดนานๆนะแล้วเ ร, เราก็พยายามทําดีของเราเนี่ยเราก็อยู่ไปอยู่ไปหนังเหนียวเสร็จแล้วคนที่อยู่กับเราเนใ น, นที่สุดมันทิ้งเราไว้เลยสแสดงว่าโอ้โหคุณ น, น, นี่แน่แน่มากหนังหนังเหนียวนี่หนังเหนียวอย่างดีนะก็นั่นแหละก็เขาเบื่อจริงๆอะ่ะ เขาเบื่อจนเขาไปจริงๆแต่ไอ้ที่เขาเบื่อแล้วเขาไปเนี่ยเพราะเขาทนอยู่กับดีไม่ได้ <c oughs> เขาถึงต้องไปเออมันเป็นมุมที่บางทีเราไม่ค่อยจะคิดอ่ะอาจริงๆเราไม่ค่อยจะคิดอ่ะเราไม่คิคดแบบปูุ่ชนเราไม่ ค, คิดแบบคนโลกโล ก, โลกธรรมดาว่าเรามันแย่มากเขาอยู่กับเราไม่ได้เขาเลยทิ้งเราคือมั่งเราไม่ค่อคิดอย่างนี้หรือคนทั่วๆไปก็มั่งจะคิดอย่างนี้แหละ แต่ความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยและจะให้เห็นเลยว่าเนี่ยน า, นางอิสิธาศีนี่โอ้โหต้องสะสมไว้มากอะ่ะคิดดูสิเนี่ยจากถ้าเอาง่ายๆนะการแต่งงานแต่งการเนี่ยถือว่าเอาฐานศีศีลห้าก็ได้ใช่ไหมเป็นพระโสดาบันเอาถือว่ายกให้สําหรับนางอิสิธาสีเป็นแบบอยู่ในฐานพระโสดาบันแต่พอบวช ไปได้เจ็วันเท่านั้นเองจากฐานพระโสดาบันเนี่ยเจ็ดวันได้เป็นพระอาหารหันต์เนี่ยสแสดงว่าเจ็ดวันใช่ไหมอา้าวเจ็ดวันจากโสดาบันนี่สแสดงว่าเป็นสกิทาเอาสักสองวันอนาคาอีกสักสองวันอา้าวพออีกสองวันนี่โอ้โหเป็นอาหารหันต์เลยอสแสดงว่าจะต้องไวมากจะต้องสะสมบารมีไว้จริงๆแล้วมโหบารมี ไม่น้อยเลยบารมีจะต้องมากทีเดียวไม่มีการก้าวกระโดดเพียงแต่ว่าถ้ามียานปัญญามีบารมีที่สะสมมามากมันไปได้เร็วไปได้เร็วอันนี้นี่จะต้องมีสองส่วนที่เร็วที่สุดก็คือว่ามีปัญญาบารมีด้วยแล้วก็มีกําลังของจิตคือมีเจโตด้วยถ้าใครมีสองอย่างนี้พร้อมกันเนี่ยไปได้เร็วมากแต่ถ้าใครมีแค่ อย่างใดอย่างหนึ่งจะช้ากว่าแต่ในสองอย่างนี้ถ้าเป็นสายปัญญาใช่ไหมเคยพูดให้ฟังแล้วสายปัญญานี่คิดพิจารณาอะไรได้ดีได้เก่งแต่ไม่มีกําลังบังคับจิตตัวเองได้มากเพราะฉะนั้นสายปัญญาเนี่ยถ้าจะบรรลุธรรมถึงได้ช้ากว่าสายเจโตสายจิตเพรา ะ, ะสายจิตเนี่ยพอรู้ตัวขึ้นมาแล้วจะพยาพยามมาเพื่อปฏิบัติบังคับจิตได้เก่งคมจิตได้เก่ง แกจิตได้เก่งเพราะฉะนั้นสายเจโตบรรลุธรรมไวกว่าไวกว่าสายปัญญาเพราะว่าบังคับจิตได้เก่งกว่ า, าแต่ที่เร็วที่สุดคือกู้ที่มีทั้งสองส่วนทั้งปัญญาทั้งเจโตเพราะทั้งบังคับด้วยล้างได้ด้วยบังคับด้วยล้างได้ด้วยเพราะฉะั้นไวมากจะไวที่สุดแล้วก็ลงตัวที่สุดด้วยแล้วพอบรรลุแล้วก็เก่งกว่าฉลาดกว่าด้วย ถ้าบรรลุแล้วนะอย่างผู้เจ้าเนี่ยเราถือว่าบรรลุแบบได้ทั้งสองส่วนนะนี่คือคือความแตกต่างเอาเสร็จแล้วเนี่ยบรรลุโดยอะไรบรรลุโดยวิธีของวิชาสามวิชาสามมีอะไรบ้าง <c oughs> หนึ่งปุ เ, ปเพนิวาส า, านุสนตะิญาณก็คือการลึกชาติภาษาเขาก็ใช้บ้านรา ล, ลึกชาติแต่ความจริงคือ อะไรก็คือเห็นกิเลสแล้วนั่นแหละสามารถที่จะรู้กิเลสสามารถจับกิเลสได้พอจับกิเลสได้แล้วก็พยายามปรับแก้กิเลสนะเห็นเลยกิเลสบินาทีที่แล้วเห็นเลยกิเลสเมื่อหนึ่งนาทีที่แล้วเห็นกิเลสเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่แล้วโอ้โหจับได้รู้ได้ถึงจะามาปรับแก้ได้เนี่ยระลึกชาติได้สองก็คือ จูตูปปาตยานคืออะไรรู้อะไรรู้ความเกิดความดับนะของสัตว์ก็คือโอปปาติกะนี่แหละคือจิตของเรารู้จิตของเราว่าเอ้ยตอนนี้มันเกิดดีหรือเกิดไม่ดีถ้าเกิดไม่ดีจะดับมันยังไงนะกิเลสตอนนี้โอ้โหรูสึกทองลองเอสงสัยวันนี้กินน้อยไป เน่ทองชักรองร้องเนเดี๋ยวต้องไปดูที่โรงครวัวหน่อยแล้วว่ามีอะไรเหลือบ้างไม่มีอะไรเหลือก็กล้วยเป็นสารณะกล้วยเป็นที่พึ่งที่อาศัย อ, อ้าวบางคนเนี่นะเอาไปแล้วไปแล้วต้องให้รู้แล้วว่า อ, อ้าวจิตมันไปแล้วเนี่ยถ้าเรารู้ว่า อ, อ้าวมาอีกแล้วจริงๆมึงก็หิวก็จริงอ่ะเรากินน้ํเาเราอะไรก็ได้นะให้มัน พ้นคืนนี้ไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยกินก็ได้ถ้ามันมีสติมันรู้ตัวแล้วมันยับยั้งมันบังคับได้นะมันก็ดับได้ก็ไม่ไปทุกข์ไม่ไปห่วงหาไม่ไปอะไรอวรไ ป, ไ, ปไม่ไปนอนคิดถึงท้องร้องอยู่นะบางคนก็รอตรงให้ถึงเที่ยงคืนก่อนเลยเที่ยงคืนเมื่อไหร่ถือว่าขึ้นวันใหม่ก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> จะกินเมื่อนั้นแหละ <c oughs> นะอันนี้อันนี้เป็นการที่รู้ความเกิดความดับของจิตนะเกิดอะไรเราก็ดับได้กิเลสนั่นเองอส่วนตัวที่สามคืออาสวัคคยาญาณก็คือสามารถที่จะรู้แล้วทำให้กิเลสหมดไปนะอาสวะคเนี่ยอ่าคือต้องทําได้พูดง่ายๆนะตัวที่สามเนี่ยคือมีความรู้ความสามารถที่ทําได้จริงๆไม่ใช่แค่ระลึกได้ ไม่ใช่แค่รู้ว่ามันเกิดมันดับยังไงไม่ใช่แค่รู้แต่ต้องทำได้เลยเพราะนั้นสามตัวเนี้นะภิกษุณีอิสิตาสีเอามาใช้ปฏจจิบัติในชีวิต ต, ตัวเองแค่เจ็ดวันเป็นพระอาหารหันต์เลยอยู่วัดมานานแง่ไหน <c oughs> อาตมาบวดมาตั้งสบสี่วันสาลแล้วเนี่ย มันยังไม่บรรลุสักทีโอ้มันไม่ง่ายเลยจริงๆนี่แค่เจ็ดวันเองจากอะไรเจ็ดวันจากโดนผัวทิ้งอะ่ะคิดดูโดนผัวทิ้งใช่ไหมแล้วไปบวชบวชแค่เจ็ดวันเนี่ยโดนโดนผัวทั้งสามผัวทิ้งอะ่ะคิดดูสิเสร็จแล้วไปบวชแค่เจ็ดวันโอ้โหบรรลุทำเป็นพระอรหันต์ได้แม่บรารมีต้องเหลือเชื่อนะ ก็โคนเดียวก็จะแย่แล้วนี่ตั้งสามคนเนี่ยให้เห็นนะว่าจริงๆแล้วนางอิสิตา ส, ส, ส, ส, สีไม่จะไปโกรธไม่จะไปเกลียดผัวที่ทิ้งไปอย่างไม่มีเหตุผลแล้วก็ทำดีกับเขาทุกอย่างเลยนะเนี่ยทำดีคิดดูสิไปกราบเท้าทุกเช้ากราบเท้าสามีทุกเช้าอย่างเงี้ยโอ้โหใครจะปานฉะนั้น อาบน้ำผาแป้งให้อีกต่างหากโอ้ทำถึงขนาดนั้นแล้วมาทิ้งกันได้ถ้าแหมจะเป็นเราอะนะอาตมาถึงบอกไม่ต้องถึงขนาดนี้หรอกแม่บางทีแค่แม่กลัวผัดกับข้าวให้กินใครมาบอนให้ฟังหน่อยจะกินหรือเปล่าเอาเลยอะนั่นเนี่ยให้เห็นเลยว่าโอ้โหจิตใจที่ฝึกฝนมาเนี่ยนะยอดเยี่ยมเพียงแต่ว่ามีวิบากกรรมเห็นไม เนี่ยที่เราฟังมาเนี่ยจะให้เห็นนะที่กว่าจะมาเป็นชาติของนางอิศิธาศีเนี่ยโอ้โหผลของวิบากกรรมจริงๆที่ทำให้โอโ้ต้องโดนปิดโดนกั้นนะต้องมายังจะต้องมามีสามียังก็ต้องมามีถึงสมสามีโอ้โหกว่าจะมาบวชได้เนี่ยก็โดน ว, วิบากกรรมที่ตัวเองเคยไปคบชู้มานะนาะตันะ้งเจดชาติมาแล้วเนี่ยโอ้โหตามเล่นงานมาจนถึงเจดชาติ คิดดูเอาก็แล้วกันวันที่บอกว่าเราลึกได้ไปเจ็ดชาติจนมาเป็นพระอรหันต์นี่นะแสดงนห้เห็นว่าที่ไปผิดผัวผิดเมียใครเขาเนี่ยน่ะไปทำแค่ชาติเดียวนั่นแหละแต่ผลที่ชดใช้ต้องโหเจ็ดชาติเนี่ยกว่าจะมาหมดสิ้นไปได้เพราะนั้นไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะถึงบอกว่าบางคนนึกว่าเอาทำแค่ชาตินี้ชาติหน้าคงหมดและเลิกกันเกม ไม่อะบางทีมั น, น ข, มข้ามชาติข้ามชาติข้ามชาติเลยแล้วยิ่งใครไปทําไว้หนัหนกห น, ห, นหนาโอ้มันจะไม่เจ็ดชาติสิมันจะไม่รู้ว่าจ ะ, จะต้องกี่ชาติเอาสุดท้ายน า, นางภิกษุณีอิสิทาสีเถระเนี่ยเถรีเนี่ยก็บอกว่าวิบากกรรมที่ชั่วช้าใดๆอันเป็นผลแห่งการคบชู้กับภรรยาผู้อื่นและการบังคับสามี ให้ขับไล่ภรรยาของตนไปที่สุดแห่งบาปกรรมทั้งปวงนั้นดิฉันได้ชดใช้เสร็จสิ้นแล้วในชาตินี้กิเลสทุกอะไรนอกจากนี้ไม่มีเลยก็จบประวัติของพระอิสิทอิสิธาสีเทรีก็เล่าให้ภิกษุณีโพธิฟังอย่างนี้นะก็จบด้วนๆอย่างเงี้ยจบตรงที่บอกว่าได้เป็นพระอรหันต์นเอง ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยนะพอเป็นพระอาหารหันต์แล้วเนี่ยพ่อท่านเคยอธิบายให้ฟังจริงๆไม่ได้หมายความว่าวิบากกรรมเราหมดแล้ววิบากกรรมที่ทำไว้มันเยอะกว่านี้อีกเจดชาติเนี่ยจริงๆยังใช้ไม่หมดหรอกบางคนเล็กี้ที่อาจจะมาบอกนะเจดชาตินี่หมดแล้วไม่ใช่นะหมดนี่หมายถึงว่าถ้าภิกษุณีรูปนี้ตอนนี้ผ่านไปเลยเพราะว่าเป็นพระอาหารหันต์แล้ว ตอนตายเนี่ยร่างกายนี้ตายปัริณิพานไปเลยคือไม่มาเกิดอีกเมื่อไม่มาเกิดอีกวิบากกรรมที่จะมาตามเล่นงานมันไม่รู้จะไปเล่นงานตัวตนที่ไหนเพราะว่าไม่มาเกิดอีกตั้งหากแล้วแต่จริงๆวิบากกรรมอ่ะเกิดเมื่อไหร่ก็เมื่อ น, นั้นอ่ะไอที่ทําเอาไว้มันเล่นงานทันทีเหมือนกับพระพุทธเจ้าขนาดจะต้องเป็นอรหันต์กี่ชาติสะสมไปก่าจะไปเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ย จะต้องเป็นพระอารหันต์กี่ชาติก็ไม่รู้ว่าขนาดนั้นพระเจ้ามีวิบากกรรมซึ่งแม้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วชาติที่เป็นเจ้าชายสิทธะเนี่ยเจอทัานมาบวชเป็นพระพุทธเจ้าแล้วยังต้องชดใช้เลยเห็นไหมขนาดเป็นพระพุทธเจ้าแล้วไม่หมดนะพระเจ้าก็ใช้วิบากกรรมไม่หมดแต่พระเจ้าเนี่ยคราวนี้ปฏิญิพลาแล้วจะไม่กลับมาเกิดอีกไอวิบากกรรมที่เหลืออยู่ก็เลยหมดไปโดยปริยาย เพราะมันมาตามหาคนไม่เจอตามหาคนไม่เจอไม่มีตัวตนให้เจอแล้วก็เลยไม่รู้จะเอาวิบากกรรมนี้ไปยัดใส่ใครได้เพราะของใครของคนนั้นไม่สามารถที่จะไปยัดไปยกให้คนอื่นได้อันนี้ต่างหากเพราะนั้นใครจะหนีให้พ้นกรรมได้เนี่ยที่บอกว่าตัดกรรมนะหนีให้พ้นกรรมได้ไม่มีอย่างอื่นมีอย่างเดียวเท่านั้น คือต้องปรินญิพานให้ได้ถ้าใครไม่ปริญิพานไม่มีวันพ้นกรรมเต่อให้เป็นพระพุทธเจ้ายังไม่พ้นกรรมเลยไม่ต้องเป็นพระอรหันต์นะพระอรหันต์เนี่ยยิ่งไม่พ้นอย่าเลยเพราะขนาดพระพุทธเจ้ายังไม่พ้นเลยยังต้องชดใช้เลยเพราะฉะนั้นพระอรหันต์มีเหรอจะไม่ต้องใช้เพราะฉะนั้นผู้ที่จะตัดกรรมได้นะไม่สามารถที่จะมีกรรมมาตามได้มาเล่นงานเราได้อีก ตายศูนย์ไปใช่อยากเกิดแต่ถ้าเกิดพระพระพุทธเจ้านะสมมตินะเอาเกิดไม่ปริดีพาเน่ยคิดว่าเดี๋ยวจะเอาเป็นผู้เจ้าใหญ่กว่านี้อีกนะจะเกิดมาบําเพ็ญบารมีอีกให้เป็นผู้เจ้าเหนือยิ่งกว่าที่เป็นพระสมณะโคโดมนี่ถ้าท่านมาเกิดเมือไรเอาแล้ววิบากกรรมตามท่านต่ออีกเล่นงานท่านต่ออีกเพราะนั้นมีอยู่ทางเดียวคือจะต้องไม่เกิดอีก เท่านั้นเพียงอย่างเดียวไม่มีทุกคนต้องมีวิบากกรรมทั้งนั้นวิบากรรมหมดไม่มีไงไม่มีหมดไงไม่มีหมดวิบากกรรมไม่มีหมดเพราะอะไรเมื่อวานนี้ก็พูดให้ฟังเราเกิดมาชาติหนึ่งเนี่ยชีวิตหนึ่งนะเราลองนึกถึงชาตินี้ก็ได้ต่อให้คุณเกิดม่ คุณเกิดมาแค่วันเดียวก็ได้คุณก็มีกรรมของคุณแล้วคุณเกิดมาแค่วันเดียวคุณจะนึกคุณจะคิดต่อให้คุณยังไม่ไปทำอะไรได้นะคุณจะนึกคุณจะคิดอะไรเนี่ยก็เป็นมโนกรรมทั้งนั้นก็เป็นกรรมของคุณแล้วคุณคิดดีคุณก็เอาบุญกุศลไปคุณคิดไม่ดีคุณก็บาปกรรมไปเนี่ยแค่แค่ความคิดแต่ถ้าจยิ่งโตขึ้นมาล่ะโอ้นะไปขโมยมั่งไปโกหกมั่ง ทําบุญบ้างเอาละบนเปสะสมกันไปเนี่ยเราสะสมไปเยอะแยะเลยมากมายไม่ต้องอื่นไกลนะอาตมายกตัวอย่างง่ายๆชาตินี้เราเกิดมาเรามีพ่อเรามีแม่ใช่ไหมว่าพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาอาตมาถามคุณแค่ ง, ง่ายๆแค่เนี้คุณว่าคุณใช่นี่พ่อแม่หมดไหมเนะี่ยนี่ที่เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่ข้าวตั้งแต่น้ําตั้งแต่เสื้อผ้าลูกที่บอกว่ากตันยูกระตันยูเนี่ยแล้วก็ เอาตอบแทนคุณคืนพ่อแม่เนี่ยทําเท่าหรือเปล่าเอาอย่างเช่นลูกโตมาจนจนจะต้องทํางานนะมีเงินเป็นของตัวเองที่จะย้อนกลับมาให้พ่อแม่เนี่ยปาเข้าไปต้องอายุเท่าไหร่อย่างน้อยๆเอออย่างน้อยๆก็ยี่สิบกว่าแล้วบางทีกว่าจะตั้งหลักได้เนี่ยนูน30มสิบสี่สิบกว่าจะตั้งหลักได้แล้วคุณคิดดูสิพ่อแม่เลี้ยงเรามาสมมุตินะเอา30สิปีตีซะกลางกลาสิบปี จนกระทั่งเราตั้งหลักได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นพ่อแม่จะอายุเท่าไหร่ล้วถ้าถ้าเราสักสามสิบเนี่ยพ่อแม่จะสักเท่าไหร่อา้าพ่อแม่ก็ประมาณสักห้าสิบหกสิบก็ไปได้ใช่ไหมเสร็จแล้วเอาเลี้ยงเรามาสาิบปีใช่ไหมอย่างน้อยๆคุณจะต้องดูแลพ่อแม่เหมือนกับพ่อแม่ดูแลเรานะอีกสักสามสิปีอย่างน้อยพ่อแม่จะต้องไปถึงเท่าไหร่แปดสิบเก้าสิบใช่ไหมแล้วถามหน่อยเลยกว่าพ่อแม่จะไปถึงแปดสิบเก้าสิบเนี่ย คุณดูแลเหมือนกับพ่อแม่ดูแลเราตอนเด็กๆมาจนโตไหมไม่เหมือนด้วยบางทีอย่างเก่งมีเงินเดินมาหน่อยเอาแแม่ให้แม่หน่อยนึ่เออบางทีพ่อแม่เจ็บบางป่วยบ้างแล้วเราก็ไปดูให้ทีหนึง่งเพอ้อเพ้อแต่งงานไปมีผัวไปดูแลผัวมากกว่าอีกอจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นชาติหนึ่งชาติหนึ่งเนี่ยเอาแค่ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ในในเรื่องวัดถูกข้าวของการดูแลคุณยังทําได้ไม่พอเลยอะ่ะ เอาเอาเอาหลายมาให้เลี้ยงอีกหนักข้อเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นเห็นไหมาชาติหนึ่งชาติหนึ่งที่เป็นบิบากกรรมที่เราทําไว้เนี่ยนะแค่บอกแล้วเนี่ยแค่ตอบแทนพ่อแม่คุณยังน้อยไปเลยคุณยังไม่พอเลยนี่นี่เอาคนที่ใกล้ที่สุดแล้วแล้วยิ่งค น, นงอื่นอื่นอีกที่เรายิ่งเข้าไปเกี่ยวข้องยิ่งเข้าไปผูกพันนะบางทีได้รับปูนคุณมั่งไปทําเขาเจ็บปวดบ้างอะไรมั่งโอ้โหมันเยอะแยะมันมากมายไปหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าจะชดใช้กันจริงๆเป็นลายหัวเนี่ยนะ โอ้ไม่รู้จะไปใช่ยังไงหมดมันเยอะแยะมันมากมายต้องกระปนเปงกันไปยุ่งเหยิงไม่หมดเพราะนั้นถึงบอกว่าไม่มีวันใช้หมดเพราะนั้นศาสนาพุทธเนี่ยถึงเป็นศาสนาเดียวที่คุณจะตัดกรรมได้จริงๆก็คือคุณต้องตรนนิ้ทีานไปให้ได้ถ้าเป็นศาสนาอื่นแล้วไม่มีไม่มีทางเลยที่จะทําได้และส่วนที่เขาชอบ อะไรนะโฆษณาตามวัดตามอะไรที่บางทีอา้าวมาสะดอกขอมาทำบุญตัดบาตัดตัดกรรมอ่ะตัดตัดบาปเนี่ยนะตัดกรรมซะต่ออายุเออไม่จริงเช่นนั้นอ่ะเออโกหกกันแล้วก็หลอกคนไปทำบุญหลอกคนไปเสียเงินเสียทองเท่านั้นเองนะอันเนี้ยถ้าใครศึกษาเรื่องกรรมเรื่องวิบาก ได้เข้าใจมากขึ้นแล้วโอ้จะไม่โง่จะไม่ไปโดนหลอกอะไรมากมายแล้วรู้ด้วยว่าควรจะทำบุญแบบไหนถึงจะได้บุญเออไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เป็นหลงตามโฆษณาชวนเชื่อไม่ใช่ว่าเราไปวัดเราไปเจอพระท่านบอกยังไงเราก็เชื่อไปหมดโดนหลอกมาเยอะต่อเยอะแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจประเด็นพวกนี้ได้เนี่ยนะบางทีนี่ โอ้ไม่ต้องไปหนักไม่ต้องไปเหนื่อยอะไรมากมายหรอกได้บุญได้กุศลด้วยบางทีไม่ต้องไปหนักไปเหนื่อยไปเสียเงินเสียทองอะไรมากมายโดยเฉพาะพยายามถือศีลเป็นอภัยทานเนี่ยพยายามถือศีลขึ้นมาได้บุญมากยิ่งกว่าเอาพูดตรงๆเลยได้บุญมากกว่าคุณไปแค่ใส่บาตรพระที่หรือได้บุญมากกว่าคุณเนะี่ยไปสร้างโรงพยาบาลไปสร้าง วัดว่าอารามสวยๆหรูๆอะไรสิีกคุณถือศีลของคุณขึ้นมาเถอะเพราะอะไรรู้ไหมถ้าคุณพยายามถือศีลพยายามประพฤติตัวคุณขึ้นมาให้ดีนะอาตมาบอกได้เลยมีเหลือวัตถุทานคุณจะไม่ทําอะเพราะว่าวัตถุทานนี่มันทําง่ายกว่าอภัยทานง่ายกว่าการถือศีลการถือศีลเนี่ยอภัยทานมันทํายากกว่าเพราะฉะคนที่ยิ่งพยายามถือศีลทําตัวเองให้ดี คุณยิ่งดีมากเท่าไหร่เนี่ยคุณจะยิ่งเสียสละคุณจะยิ่งให้คนอื่นได้มากขึ้นแต่ถ้าใครเนี่ยยิ่งไม่มีศีลเนี่ยแหละมันจะยิ่งเสียสละน้อยลงไปน้อยลงไปมันจะเห็นแก่ตัวเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นแล้วในที่สุดแม้วัตถุทานมันก็จะไม่ทำแต่ถ้าคนมีศีลขึ้นมาแล้วศีลอย่างถูกต้องนะไม่ใช่ศีลแบบเฉโกไม่ใช่ศีลแบบท่องปากเปล่าไม่ใช่ศีลแบบว่าไปอยู่วัดก็ถือว่าถือศีลแล้วไม่ใช่ ถือศีลในที่ที่หมายถึงว่าต้องประพฤติปฏิบัติตามศีลที่ถูกต้องที่พระเจ้าท่านสอนมาอย่างเช่นศีลข้อที่หนไม่ฆ่าสัตว์ชีวิตคุณทําจริงหรือเปล่าล่ะคุณไม่ฆ่าสัตว์ตชีวิตจริงไหมล่ะคุณไม่ไปเบียดเบียนสัตว์อื่นจริงไหมล่ะคุณทำไหมถ้าคุณทําจริงๆนะคุณทำเนี่คุณก็ต้องมีจิตของคุณสั่งให้ทำํำวันผู้ง่ายคนนั้นกายกรรมก็ไม่ไปฆ่า ไม่ไปตบไม่ไปตีไม่ไปทำร้ายไม่ไปฟันไม่ไปแทงไม่ไปยิงกายกรรมทำจริงๆทำโดยที่งดเว้นมาวัตยีกรรมละ่ะปากนี่ไม่ไปกินเลือดเนื้อเขาแล้วปากนี่ไม่ไปเชียไม่ไปสานุนให้ใครไปฆ่าไปแกงแล้วเอาแกงไก่แกงไกส่สิต้มยำ อ, อะไรอะ่าปลาดุกอะต้มยากุ้งสิมีป่ะต้มยาปลาดุก ไม่มีนะออมีแต่ป่าช่อนนะเออ <S <S 1> <S 1> นั่นแหละเนี่ยวัจีกรรมเราก็ไม่มี ม, มีเห็นไหมเราเว้นออกมาเลยเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยทั้งกายกรรมวจีกรรมมันก็มาจากใจทั้งนั้นเพราะถ้าใครทําอย่างนี้ได้โอ้ยแน่นอนคราวนี้อภัยทานคือถือศีลขึ้นมาอย่างดีเมื่อคนนี้ถือศีลขึ้นมาอย่างดีอย่างนี้มีแล้วคนที่เสียสละ อ, อ, อดทน อดกัน้นก็เว้นจากสิ่งไม่ดีออกมาได้อย่างนี้มีเลยว่าวัตถุทานจะไม่ทําอ่ะของที่ทำยากกว่ายังทําได้เลยว่าไอ้ของง่ายๆมีเลยจะไม่ทํามันทําแน่นอนอยู่แล้วว่าใครเนี่ยพย า, ยามถือศีลปฏิบัติทำขึ้นมาให้มากเข้ามากเข้าคนนั้นน่าจะเก่งในการทําบุญทําทานมากขึ้นเรื่อยยิ่งวัตถุทานนี่จะยิ่งง่ายเลยจริงแต่ก่อนเคยคิดว่าโอ้โหต้องเก็บนะต้องหวง หอบเอาไว้นะเงิน่งเงี่ยบางทีต้องเก็บไปเยอะๆคุณไปลองไปดูตัวเองสิโอแต่ก่อนนี้แหมมันน่าจะมีฝากธนาคารไว้สักไม่ต้องเอามากอะเอาสักเออเอาสักแสนนึงแต่พอคุณปฏิบัติทำไปจริงๆเข้านะยิ่งมาอยู่กับพวกโสดเราเนี่ยโอ้โหพ่อท่านพยายามให้กล้าคือกล้าจนกล้าเสสละพ่อท่านเนี่ยจะปลุกจิตํานึกเราพวกนี้มาก เพราะนั้นนะ่ยไปดูเถอะเคยนึกอยู่ว่าแหมเดี๋ยวต้องเอาให้อะไรถึงเป้าถึงเป้าเอาให้ถึงแสนพอถึงแสนเสร็จเดี๋ยวต้องเอาให้ทะลุเป้า <c ười> คือพอถึงเป้าแล้วต้องเอาให้ทะลุเป้านะเอามาสักสองแสนไม่มีอะถ้าคุณมาปฏิบัติทําแบบสายโซ่นะมันจะไอ้ที่เก็บเก็บไว้เนี่ยชกักรู้สึกละอายกับใจเอ๊ะเก็บไว้แล้วไม่ได้สะพัดไม่ได้อะไรเลยถ้าจริงๆเก็บไว้แค่ห้าหมื่นก็พออา่าอีกห้าหมืนเอามา ซื้อเรืออะไรอย่างเงี้ยนะอ้าว ม, ม, มันมันมันจะกล้ามากขึ้นไปดูี่นี้อาตมาพูดจากจากจากความเป็นจริงแม้แต่ตัวอาตมาเองอะ่ะตอนแรกๆยังไม่ได้ถือศีลปฏิบัติธรรมโอ้ตั้งเป้าไว้จริงจริงอะ่ะว่าเออเรียนจบแล้วเดียวจะหางานทำเสร็จแล้วก็จะเก็บเงินเป็นก้อนไว้นะเสร็จแล้วจะได้แต่งเมียะจะได้มีบ้านของตัวเองมีรถมีอะไร คิดไว้อย่างนั้นจริงๆแล้วก็พอไปตอนมีแฟนแล้วก็ใกล้จะแต่งงานกันเนี่ยเก็บจริงๆด้วยคุยกับแฟนเลยตกลงกันว่าเอาเก็บเงินเก็บเงินเดี๋ยวให้มันเป็นก้อนตโ ต, ตโตได้เก็บจริงๆมันมันมันคิดไปอย่างนั้นตามโลกโลกะ่ะจนนหลังพอปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมถือศีลอัตมาถือของอาตมาแฟนเขาไม่ยังไม่ถือหรอกใจ แ, แต่พออาตมากินบนังสือร้ายเขาก็กินนะเขากินตามเอาใจเราอะ่ะ อ่าก็เป็นแฟนกันใช่ไหมพอเรากินเขาก็เอา้าเอาเรากินเขาก็เลยกินตามแต่ถ้าเนี่เนี่ยถ้าคนที่ไม่ถึงจิตถึงใจเนี่ยมันไม่มีเป้าหมายจริงๆที่ตัวเองจะประพฤติปฏิบัติมันก็ได้แต่ตามตามไปเอาพอเลิกกันไปเอาเขาก็เลิอกกันทีเขาก็เลิกกินไปสีแล้วมาอะไรเนี่ยเขาก็คงไปกินเนื้อสัตว์อะไรเสร็จตอนหลังเขาก็ไปแต่งงานแล้วมีลูกมีเต้าไปแล้ว เอ อ, อะไรนะเอากระทางเขาเขาก็อย่างของเขาทางอัตมามานี่ก็ทางอย่างของอัตมาอันนี้ผู้ฟังถึงว่าเป้าหมายเนี่ยแต่พอปฏิบัติทำไปนะมันจะมีความกล้ากล้าที่จะเสียสละกล้าที่จะเ อ, อความเห็นแก่ตัวเนี่ยเราจะลดลงลดลงลดลงแล้วมันมันไม่บ้าระห่ำหรอกมีเหมือนกันบางคนเนี่ยบ้าระห่ำ แบบพอเข้าใจธรรมะรู้ธรรมะนี่โอ้โหเขาเรียกว่าพวกเส้นตื้นพวกเส้นตื้นเนะพอฟังทำเสร็จอะไรเสร็จโอ้โหมันรู้มันเข้าใจแต่มันรู้มันเข้าใจแบบแบบชั่ววูบมันยังไม่ใช่เป็นความหนักแน่นไม่ใช่เป็นความมั่งคงเพราะมันพอรู้เข้าไปปับ๊บเอาเลยรีบลุยรีบทําเนี่ยแล้วมันเร็วเกินไปมันเร็วเกินเกินบา ร, รมีเกินฐานของตัวเอง เพราะบางคนเนี่ยนะกล้ามาเสียสละกล้าอย่างงั้นกล้าอย่างนี้นนแต่พอปรากฏว่าต่อหลังมันมีเรื่องเดือดร้อนใจเรื่องทุกข์ร้อนอะไรต้องใช้เงินต้องอะไรเข้ามาเนี่ยโอ้โหคราวนี้เลยเอาราทีไม่มีเงินอะไม่มีเงินไม่มีอะไรจะไปแก้ปัญหาให้กับตัวเองในเรื่องเงินทองได้เพราะายังเป็นคารว่าจิ๋วใช่ไหมโอ้โหเขาน เ, เนี่ยทุกเดือดร้อนใจเนี่ยมันทําเกินประมาณเกินตัว เสียสละอย่าจริงดีแต่ต้องดูตัวเองด้วยว่าตามฐานของเราเนี่ยเราเก่งได้แค่ไหนที่สามารถเสียสละไปแล้วไม่มาโอดครวนไม่มาทุกร้อนในภายหลังคนนั้นจะต้องรู้ประมาณตัวนี้ด้วยเพราะหลายคนนะบางทีพอทําไปแล้วเดือดเนื้อร้อนใจภายหลังทุกจนกระทั่งบางคนเนี่ยตีกลับเลยบอกโอ้โหเข็ดละกลัวละวันหลังนี่ ไม่ทำอย่างนี้อีกละเลยกลายเป็นเรื่องทำดีเลยก็มีเพราะันประมาณให้ดีแต่ละคนอย่างบางคนเนี่ยเอาแล้วมาอยู่บ้านแล้วจะมาอยู่วัดมาอยู่ได้ไม่ถึงเจ็ดวันเลย <c oughs> โอ้เพนกลับบ้านแทบไม่ทัน <c oughs> ก็มีเพราะฉะนั้นแหละประมาณให้ดีประมาณกำลังให้ดีนะค่อยๆทีละก้าวทีละก้าวยังมั่นคงจะดีกว่านะไม่ต้องถึงกับเร่งร้อนเกินไป แต่ก็อย่าเป็นแบบเลือกเกลือแม่อาตมาเพิ่งเขียนเรื่องลงนี่ลงอะไรนะดอกหญ้ามั้งดอกหญ้าเคยเามาเทศศนแล้วล่ะชาดกเรื่องเจ้าตัวเฉยอะ่ะเจ้าตัวเฉยเจ้าตัวเฉยเนี่ยมันชื่อในนั้นเ็าใช้คำว่าตัวกระพองช้างอ่ะจำได้ไหมที่เคยเอามาสอน ตัวกัพนะ้องช้างเนี่ยวันทั้งวันเนี่ยนะเวลามันมันจะไปไหนทีเนี่ยทั้งวันเนี่ยตลอดวันนี้สมมุติว่าเท่าไหร่ยี่บสี่ชั่วโมงอ่ะนะทั้งวันเนี่ยมันเดินทางไปได้ไกลแค่สองนิ้วโอ้มันจะค <that> <not it. c oughs> ่อยค่อยค่อยคค่อยค่ยค่อยเยอยเยอยเยกว่าจะค่อยๆคือไปได้ทีละนิ้วทีละนิ้วเนี่ย ช้ามากเลยไอของฝรั่งเขามีตัวเขาเรียกตัวเลยนะตัวสลอตเนี่ยนะนะคล้ายๆลิงเน่ยไอตัวสลอตใครเคยดูหนังม้างไหมเขาเคยถ่ายสารคดีมานะไอตัวสลอตเนี่ยมันแบบลิงเนี่ยอยู่บนต้นไม้แมมันเหมือนกับฉายหนังสโลเลยอะแต่จริงๆแล้วมันเป็นอย่างนั้นของมันจริงๆอย่างอย่างเช่นมันจะไปจับจริงไม้มันจะก้อยก้อยก้ <laughs> อยกลๆ ย, ย, ยแล้วก็ไปจับ แล้วไอ้หนังเรื่องนี้มันก็ทําแหม่ทาเหลือเหลือเกินจริงไอ้เราดูแล้วก็บาดเสียวแทนคือปรากฏว่าเสือกําลังจะมากินมันโอ้ถ่ายเข้าใจถ่ายโอ้โหเสือกําลังไล่เข้ามาไล่เข้ามาปีนต้นไม้มันอยู่บนต้นไม้น่นะจากจากต้นเนี่ยอเสือมันปีนต้นนี้ขึ้นมาแล้วยังไต้นที่มันอยู่เนี่ยแล้วมันกําลังจะเ อ, อื้อมือไปไต่ต้นโอ้ไอ้เราก็ลุ้นหวาดเสียวแทนนไอ้เสือก็ อะไรขูไอ้คำลามแล้วก็ปีนต้นไม้ขึ้นมาใหญ่จะถึงอยู่ยลจะขย่ำไม่นยุดก็ค่อยปวดมือออกมาค่อยๆไปอีกต้นหนึ่งยังโอ้โหเนิบนาบนุ่มนวลเหลือเกินไอ้คนดูก็วาดเสียวห <c oughs> นังเรื่องนั้นไม่รู้ว่าอยู่มวนไหนแล้วยังนึกอยู่ว่าวันหลังจะต้องเอามาฉายให้ดูน้าว่าโอ้โหเขาเข้าใจทำเนี่ยแหละนะอันนี้บางคนมันก็แหมอือก็ชื่อ ถ้าถ้าพวกเราเนี่ยพ่อท่านใช้ว่าเหมือนกับลิงติดแป้นมันถ้าจะอยู่กับที่แล้วมันมันไม่ขยับเลยนะไอ้นี่แย่ยิ่งกว่าไอ้เจ้าตัวเฉืยอีกไอ้เจ้าตัวเฉืยนี่มันขยับนะแต่มันขยับช้ามากไอ้ลิงติดแป้นนี่คือมันไม่ขยับแล้วมันจะนั่งอยู่ตรงนี้แล้วมันไม่ไปไหนละอย่างนี้เขาเรียกว่าลิงติดแป้นก็ดีแย่ยิ่งกว่านะเพราะฉะนั้นเราเองเราเป็นนักปฏิบัติธรรมนะแล้วก็ชาตินี้มันไม่ยาวหรอก นะผู้จาท่านกต็ตรัสเอาไว้ว่าชีวิตนี้มันสั้นมันน้อยมันก็อย่าประมาทเลยราะถ้าเป็นไปได้พยายามเตือนตัวเองเอา้าวันนี้เราทําดีอะไรได้บ้างนะพยายามเกิดความโกรธขึ้นมาเกิดราคาขาาะขึ้นมาเกิดอัตตามหะขึ้นมาเราก็พยายามจับให้ทันแล้วก็ล้างไปนะแก้มันให้ได้อย่าไปอ่อนแออย่าไปยอมแพ้มัน พยายามฝืนอารมณ์ฝืนจิตฝืนใจเรานะเอาชนะให้ได้แม้ว่าบางครั้งจะแพ้ก็ตามก็พยายามเอาชนะอีกเอาชนะอีกคนที่ไม่ยอมแพ้นะถึ ง, ท, ง, ท, งทั้งทั้งที่จะแพ้มากี่ครั้งก็ตามเนี่ยแต่ยังไม่ยอมแพ้อาตมาถือว่าคนนั้นยังไม่แพ้ <c oughs> คนนั้นยังชนะได้อยู่มันก็ฝากอันนี้ไว้เอาวันนี้คงพอเท่านี้นะ